รัพย์ที่อยู่ในน้ํา98ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในน้ําได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในน้ําภิกษุมีทายจิตคิดจะลักรัพย์ที่อยู่ในน้ําหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัตทุกกดดำลงหรือโผล่ขึ้นในน้ําต้องอบัตทุกกดจับต้องต้องอบัตทุกกดทาให้ไหวต้องอบัตทุลใจทําให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิก ภิกษุมีทายจิตจับต้องดอกอบุบลดอกปทุมดอกบุญทริกเง่าบัวปลาหรือเตา่าที่เกิดในน้ํานั้นมีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอบัตทุกกดทาให้ไหวต้องอบัตทุลใจทําให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิก